ข้าพระองค์เป็นผู้ฉลาดทั้งในนิกหกรรมคือการขม่มนปฏิกรรมการตอบแล้วก็ฐานะอาฐานะโอสารนะกรรมเรียกเข้าหมูวุฒาปนะการออกวุฒาปนะกรรมก็คือการออกถึงบารมีในพระวินัยทั้งหมดอีกอย่างหนึ่งข้าพระองค์ยกบทขึ้นมาตั้งแล้วไขความออกโดยกิดสองอย่างแล้ววางไว้ในขันธกะในพระวินยัย ข้าพระองค์เป็นผู้ฉลาดล้ำในนิรุติศาสตร์ฉลาดทั้งสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ไม่มีสิ่งใดที่ข้าพระองค์ไม่รู้ข้าพระองค์เป็นผู้เลิศผู้หนึ่งในพระาศาสนาของพระาศาสดาเนี่ยนะว่าเป็นหนึ่งในนั้นอ่ะเหมือนันนะวันนี้ข้าพระองค์เป็นผู้ฉลาดในรูปบรรเทาข้อกังขาทุกอย่าง ตัดความสงสัยทั้งสิ้นในพระศาสนาของพระสมณศสกยบุตรทั้งที่เป็นบทใหญ่บทย่อยทั้งที่เป็นอักขระเป็นพยัญชนะข้าพระองค์เป็นผู้ฉลาดทุกอย่างทั้งในเบื้องต้นและเบื้องปลายพระราชาผู้ทรงมีกำลังทรงกำราบการรบกวนของผู้อื่นทรงชนะสงครามแล้วทรงให้สร้างพระนครขึ้นณที่นั้น ทรงให้สร้างกำแพงบ้างคูบ้างเสาเขื่อนบ้างซุ้มประตูบ้างป้อมบ้างน า, นานาชนิดเป็นอันมากเอาไว้ในพระนครนั้นทรงให้สร้างทางสี่แยกสนามตลาดจ่ายและสภาสำหรับวินิจฉัยสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์เอาไว้ในพระนครอันนั้นเนี่ยพระองค์นี้ก็ทรงตั้งเสนาและอัมมาศไวเพื่อปราบหมูอามิตเพื่อรู้ช่องทางและไม่ใช่ช่องทาง เพื่อรักษาพนนิยไว้พระองค์ทรงตั้งคนผู้ฉลาดในการเก็บสิ่งของให้เป็นพันดาคารักเอาไว้เนี่ยนะเพื่อให้เป็นผู้เฝ้าสิ่งของด้วยพระราชประสงค์ว่าสิ่งของของเราจะได้สูญหายไปผู้ใดสำเร็จการศึกษาแล้วและปรารถนาความเจริญแก่พระราชาพระองค์ใดพระราชาพระองค์นั้นจะประทานเรื่องให้เขาเพื่อปฏิบัติต่ตอมิตรคือประชาชน เมื่อนิมิตเกิดขึ้นพระองค์นี้ทรงตั้งผู้ฉลาดในลักษณะทั้งหลายผู้เป็นนักศึกษาและทรงจำม์เอาไว้ได้ให้ดำรงอยู่ในความเป็นปุโรหิตผู้สมบูรณ์ด้วยองคุณเหล่านี้เรียกว่ากษัตริย์พวกเขาจะพากันพิทักษรักษาพระราชาทุกเมื่อเหมือนนกจากพาครักษาญาติที่เป็นทุกข์ฉะนั้นฉนันใด อันนี้ก็เปรียบเทียบถึงคนที่ไปรบชนะใช่สร้างบ้านสร้างเมืองขึ้นบ้านเมืองที่ประกอบไปด้วยอะไรทั้งหมดเนี่ยนะข้าแต่พระมหาวีระพระองค์ก็ฉันนั่นเหมือนกันพระองค์นี้เป็นเสมือนกษัตริย์ผู้กําจัดอาิตร h ได้แล้วเรียกได้ว่าพระธรรมราชาของชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลกคิดดูนะว่าพระองค์นี้เป็นพระธรรมราชาขนาดไหนธรรมะเนี่ยสอนได้วิจิตพิสดารเรื่องขันอย่างเดียวนะ ถ้าของเราเอาขันห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าก็พูดได้เท่านั้นบัญหยัดขึ้นเองก็ไม่ได้ว่าตามก็ได้เท่านั้น่ะแต่ของพระองค์เนี่ยขันเนี่ยดูที่วิธีแสดงเนี่ยนหลากหลายขนาดไหนเรื่องปัจจัยก็สอนไว้อุยมากมายวิจิตพิสดารเหลือเกินเนี่ยเป็นพระธรรมราชาจริงๆเป็นเจ้าของธรรมจริงๆพระองค์นี้เป็นเหมือนกษัตริย์พระองค์นี้กำจัดอมิตรได้แล้วก็คือพระองค์นี้กำจัดใครก็กำจัดเดียรถี ยาธิ์ก็เรียกว่าศัตรูเหมือนกันหรือมานพร้อมทั้งเสนาความมืดมนอ น, อนทาการได้แล้วทรงส่งเนรมิตนครธรรมะขึ้นในเมืองของพระพุทธเจ้าก็คือเมืองธรรมะนะเมืองธรรมะทรงทำศีลให้เป็นกําแพงเนี่ยนะถ้าเปรียบเมืองอ่ะนะศีลเนี่ยเป็นกําแพงทรงทำพยานของพระองค์นี้ให้เป็นซุ้มประตูเอาไว้ที่พระนครนั้นข้าแต่พระธิระเจ้าศรัทธาของพระองค์เป็นเสารเนียด เส า, สาเนมรณะนะการสังวรเป็นนายทวารบานสังวรห้เนี่ยสีละสังวรเป็นต้นคือยามอ่ะเฝ้าประตูสติปทานเป็นป้อมอ น, นะเป็นป้อมเป็นยามคอยตรวจรักษาการข้าแต่พระมุนีปัญญาของพระองค์เนี่ยเป็นสนามและพระองค์ได้ทรงสร้างธรรมวิถีมีอิทธิบาทเป็นทางสี่แยก พระวิน er ัยหนึ่งพระสูตรหนึ่งพระพิธรรมหนึ่งพระพุทธพจน์ทั้งสิ้นมีองค์9้านี้เป็นธรรมสภาของพระองค์นะพระไตรวิฎกเป็นธรรมสภาเลยแหละสุญญตวิหารสมาบัติอนนีมิเตวิหารสมาบัติอัปนิหิตาสมาบัติอเนญชธรรมนิโรธธรรมเป็นกุติกุติธรรมของพระองค์คือที่อยู่ของพระพุทธเจ้านะก็เข้าเนี่ยสุญญตสมาบัติบ้างอันิมิเตสมาบัติบ้างอัปนิหิตาสมาบัติบ้าง เข้าอนเนนชาคืค อ, อรูปปัจจานบ้างเข้านิโรสมาบัตบ้างอย่างไงนะเนี่ยคือที่อยู่ของพระ อ, องค์นนะะเรียกว่ามณเทียนที่ประทับของพระ อ, องค์อ่ะพระธรรมเสนาบดีของพระ อ, องค์มีนามว่าสารีบุตรผู้ถูกยกย่องว่าเป็นผู้เลิศทางปัญญาและเป็นผู้ฉลาดในปฏิพันธ์ข้าแต่พระมุนีปุโรหิตของพระ อ, องค์นามว่าโกริตะโกริตะใคร พโมคขลานะใช่ไหมผู้ฉลาดในจุตูปปาตายานผู้ถึงฝั่งบารมีด้วยฤทธิ์ข้าแต่พระมุนีผู้พิพากษาของพระองค์มีนามว่ากัสปะเป็นผู้เลิศในทุดงคคุณเป็นต้นเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งวงเก่าแก่มีเดชสูงยากที่จะเข้าถึงได้ข้าแต่พระมุนีผู้รักษาคลังพระธรรมของพระองค์มีนามว่าอานนท์เป็นพหูสูด ทรงจำธรรมะไว้ได้และรู้ปาฏะทุกอย่างในพระศาสนาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงเป็นมหาฤาษีทรงตั้งพระเถระเหล่านั้นไปทั้งหมดทรงมอบการวินิจฉัยอธิกรที่ท่านผู้เป็นปราศแสดงไว้แล้วในพระวินัยให้แก่ข้าพเจ้าโอ้พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนพระราชาเลยประทำคําสอนทั้งหมดเหมือนกับเมืองเป็นอาณาจักรเพราะฉะนั้นพระสาวกแต่ละองค์แต่ละองค์ก็เหมือนกับตําแหน่งใหญ่โต ั้นการที่พระพุทธเจ้าจะบำเพ็ญบารมีกว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าก็เหมือนกับการสร้างเมืองนั่นเองอนะแต่เป็นเมืองธคำอ่ะเมืองที่บริบูรณ์ไปด้วยโลกุตระธรรม <c oughs> นั้นพระอุบาลีเนี่เป็นสารเนี่ยคอยตัดสินวินิจฉัยอธิกรเรื่องราวทั้งหลายอพุทธสาวกรูปใดรูปหนึ่งก็ตามถามปัญหาในพระวินยัยข้าพเจ้าไม่มีความคิดในเรื่องนั้นว่าจะบอกเรื่องอื่นนั่นแหละแก่เขา คือไม่ถ้าถามเรื่องวินัยเนี่ยไม่มีการบ่ายเบียงไม่มีการเอนเียงอ่ะตอบได้ทันทีเเพ่เพหมดอ่ะในพุทธเขตมีพุทธสาวกประมาณเท่าใดในพุทธสาวกจํานวนเท่านั้นไม่มีผู้เสมอกับข้าพเจ้าในทางพระวินยัยเว้นไว้แต่พระมหามุนีและผู้ยิ่งกว่าจะมีแต่ที่ไหนผู้เท่ายังไม่มีใครจะไปยิ่งกว่ามั้งกัน พระสมณะโคโดมประทับนั่งในถ้ำกลางภิกษุสงฆ์ทรงเปล่งพระสุรเสียงอย่างนี้ว่าอุบาลีเนี่ยไม่มีผู้เสมอเหมือนทั้งในพระวินัยและขันธกะทั้งหลายนาวังคษ า, าสุตตารที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ทั้งหมดอย่างลงในพระวินยัยพระวินัยนี่ก็เป็นอายุของศาสนานะพระสาวกมีประมาณเท่าใดมีปกติเห็นพระวินัยว่าพระวินัยเนี่ยเป็นรากเง่า วินายเนี่ยเป็นเป็นมูลของศาสนาถ้าต้นไม้นะต้นวินัยนี่เป็นรากอะเป็นรากของคําสอนที่ประกอบไปด้วยองค์กรพระสมณะโคดมผู้ประเสริฐกว่าสักยราชทรงระลึกถึงกรรมของข้าพเจ้าได้แล้วประทับนั่งในท่ามกลางพิสุสง์ทรงตั้งข้าพเจ้าไว้ในตําแหน่งเอตะทะคะข้ า, ขาพเจ้าได้ปรารถนาตําแหน่งนี้มาเป็นเวลาแสนกับข้าพเจ้าได้บรรลุประโยชน์นั้นแล้ว ถึงบารมีในพระวินัยแล้วข้าพเจ้าได้เป็นช่างกระบกผู้สร้างความเพลิดเพลินให้แก่สักยราชมาก่อนละทิ้งชาตินั้นแล้วมาเกิดเป็นบุตรของพระมหาฤาษีในกับที่สองถอยหลังแต่กลับนี้ไปถอยหลังหนึ่งกลับนกับเนี้ยนะถอยหลังไปหนึ่งกลับเนียได้มีกษัตริย์ปกครองแผ่นดินนามว่าอัญชสระนะท่านจะพูดถึงกรรมของท่านนะ พูดฝ่ายดีมาตลอดลนะพูดฝ่ายไม่ดีบ้างเป็นกษัตริย์ผู้มีเดชไม่มีที่สุดมีพระบริวารไม่มีท้วนมีทรัพย์มากข้าพเจ้าได้เป็นขติยราชสกุลของพระ อ, องค์มีนามว่าจันทนะก็คือเป็นลูกของพระราชาผู้ยิ่งใหญ่นะเพราะฉะนั้นก็เป็นผู้เย่อหยิ่งเพราะความเมาในชาติและเพราะความเมาในยศและโภคะช้างจํานวนแสนประดับประดาด้วยขาชาพรพร้อมศัพ ตะกูลมาตังคะตกมันสามแห่งห้อมล้อมข้าพเจ้าทุกเมื่อโอ้กษัตริย์ยิ่งใหญ่มากะนะช้างตามเสด็จเนี่ยนะแสนเชือกอะ่ะเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าประสงค์จะไปอุทยานมีพลนิกายของตนออกหน้าไปจึงได้ขึ้นช้างต้นะนะ่ะคือช้างมิ่งขวัญอ่ะออกจากพระนครไปครั้งนั้นพระประเจกับพุทธเจ้าพระนามว่าเทวละถึงพร้อมด้วยจารณนะมีทวารอันคุ้มครองดีแล้ว ก็ได้มาข้างหน้าของข้าพเจ้านีนะพระนี่ยืนอยู่ข้างหน้านะเป็นไงเห็นแลเลื่อมใสา่ปะข้าพเจ้าจึงได้ใสช้างต้นนั้นเข้าไปล่วงเกินพระพุทธเจ้าในครั้งนั้นใสช้างจะไปฆ่านั่นแหละต่อจากนั้นช้างต้นนั้นก็เกิดเดือดดานขึ้นไม่ยอมก้าวเท้าไปข้าพเจ้าเห็นช้างก็ไม่พอใจก็ได้โกรธพระพุทธเจ้าคือพระปัจเจก เบียดเบียนพระประเจกับพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปยังอุทยานก็แสดงว่าด่าทั้งสารพัดข้าพเจ้าไม่พบความสำราญในที่นั้นเหมือนคนเนี่ยถูกไฟไหม้ศีรษะพอด่าเสร็จเกียดยามดูหมิ่นทุกอย่างที่พอใจนะไปก็เดือดร้อนนะถูกความกวนกวายเผ็ดเผาเหมือนปลากินเบ็ดเว่าท่านผู้มีคุณแป๊บเดียวนะเดือดร้อนเลยพื้นแผ่นดินเนี่ยมีสาครเป็นขอบเขต เป็นเสมือนไฟเนี่ยลุกไปทั่วสําหรับข้าพเจ้าร้อนมากเดือดร้อนทันทีเลยก็เลยเข้าไปเฝ้าพระบิดาได้ทูลคํานี้ไว้ว่าม่อมชั้นล่วงเกินพระสยามภูคือพระประเจกับพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้เองเหมือนยุอสรพิษให้เดือดดานเหมือนโหมไฟกองใหญ่และเหมือนฝึกช้างตกมันพระชินเจ้าพระองค์นั้นน่ะผู้มีเดชสูงแรงกล้าข้าพเจ้าได้ล่วงเกินแล้ว ก่อนที่พวกเราทุกคนจะพินาศพวกเราจัะพากันขอขมาพระมุนีนั้นถ้าหากพวกเราจักไม่ยังพระมุนีนั้นอ่ะส่งฝึกพระองค์แล้วมีพระหาฤทัยตั้งมั่นแล้วให้ทรงทราบไซรัฐของเราเนี่จะแหลกลานไม่เกินในวันที่เจ็ดเนี่ย น, นะโอ้โหไปเล่นกับผู้มีคุณใช่ไหมก็แหลกรานอนะ่ะก็เหมือนกับที่เขาบอมพระพุทธรูปใช่ไหมไม่นานก็ถูกบอมแผ่นดินก็ไหวเนี่ยนะอันนี้คือกรรมที่ทําไว้แล้วเนี่ยก็เตือดร้อนละประมาณ พระราชาทั้งหลายชื่อว่าสุเมฆะโกศยะสิขวะสัตตะะพร้อมด้วยเสยนาตกทุกไดยก้ยะเพราะล่วงเกินฤาษีทั้งหลายเมื่อใดฤาษีทั้งหลายพูดสํารวมแล้วประพฤติพรหมจันทร์โกรธเมื่อนั้นฤาษีเหล่านั้นจะบันดาลให้โลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกทั้งสาครและบรรพศให้พินาศไปได้อนนะเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าก็เลยประชุมราชบุตรทั้งหลายในที่ประมาณ 3,000 ันยอดเข้าไปหาพระสยามภู เพื่อต้องการแสดงโทษผิดทุกคนมีผ้าเปียกและศรีรษะเปียกน้ำเหมือนกันหมดกระทำอัญชลีหมอบแทบบาทของพระพุทธเจ้าได้กล่าวคำวิงวอนนี้ว่าข้าแต่พระมหาวีระขอท่านโปรดอภัยโทษแก่ชนที่ร้องขอขอพระมหาวีระบรรเทาความเร่าร้อนและอย่าให้รัฐของพวกข้าพเจ้าพินาศเลย มวลสัตว์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์พร้อมทั้งอาศูน์เผ่าทานพพร้อมด้วยรากสดพึงพากันเอาค้อนเหล็กมาตีศรีศรษะของข้าพเจ้าอยู่ทุกเมื่อความโกรธจะไม่เกิดขึ้นในพระพุทธเจ้าเหมือนไฟสถิตยอยู่ในน้ำไม่ได้อันที่จริงพระอาหารหันต์ทั้งหลายท่านไม่โกรธร้อกเหมือนกับไฟเนี่ยไฟปกติธรรมดาเนี่ยไม่ไม่ติดหรือแล้วบนน้ะเหมือนพืชไม่งอกบนหินเหมือนกิมิชาตคือนอนเนี่ย ไม่ดำรงชีวิตอยู่ในยาขนานวิเศษไม่ได้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่กระเทือนพหาฤทยัยเหมือนแผ่นดินไม่สะเทือนสาครที่นับจำนวนน้ำไม่ได้ก็ไม่กระเพื่อมและอากาศที่ไม่มีที่สิ้นสุดก็ไม่ปั่นป่วนพระมหาวีระผู้ฝึกดีแล้วอดกลั้นได้แล้วและมีตบะเจ้าประคุณทั้งหลายผู้อดทนและอดกลั้นได้แล้ว จะไม่มีการไปพระปัจเจกพระพุทธเจ้ากล่าวคํานี้เพื่อจะบรรเทาความเร่าร้อนอันนี้ทั้งหมดที่พูดไปเมื่อกี้เป็นคําของพระปัจเจกนะว่าท่านไม่ได้เดือดร้อนท่านไม่โกรธเลยไม่โกรธเหมือนไฟไม่ไหม้บนน้ําเหมือนพืชไม่งอกบนหินเหมือนนอนเนี่ยไม่อยู่ในยาพิษเหมั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่สะเทือนใจเลยเหมือนแผ่นดินไม่สะเทือนนับไม่ได้เหมือนน้ําเหมือนอากาศไม่มีที่สิ้นสุด ท่านเหล่านั้นฝึกฝนกายวาจาใจเรียบร้อยหมดแล้วเป็นคนที่มีขันติมีตะบะเป็นผู้ที่อดทนอดกลั้นไม่มีการปฏิสนธิในที่ใดอีกแล้วเพราะฉะนั้นท่านก็กล่าวคำเ่าร้ อ, อเพื่อบันเทาวความเร่าร้อนก็เหาะขึ้นฟ้าต่อหน้ามหาชนในครั้งนั้นพอเขาขอขมาเสร็จท่านก็เหาะไปข้าแต่พระมหาวีระด้วยกรรมนั้นข้าพระองค์ได้เข้าถึงความเป็นคนชั้นต่า ล่วงเลยกำเนิดนั้นมาแล้วจึงเข้าไปยังอาภัยบุรีคิดดูนะก็ไปด่าดูหมิ่นไว้เนี่ยนะข้าแต่พระมหาวีระแม้ในครั้งนั้นข้าพระองค์ทรงแก้ไขความเร่าร้อนที่แผดเผาข้าพระองค์คือสถิตมั่นอยู่ในข้าพระองค์และข้าพระองค์ได้ให้พระสยามภูโอดโทษแล้วข้าแต่พระมหาวีระแม้วันนี้ข้าพระองค์ก็ทรงดับไฟสามกอง แม้วันนี้พระองค์ก็ทรงดับไฟสามกองให้ข้าพระองค์ผู้กำลังถูกไฟสามกองเนี่ยเผาลนอยู่และข้าพระองค์ก็ถึงความเยือกเย็นท่านเหล่าใดมีการเงี้ยโสดลงฟังข้าพระเจ้าจากบอกเนื้อความคือบทตามที่ข้าพระเจ้าได้เห็นแล้วแก่ท่านเหล่านั้นขอท่านทั้งหลายจงฟังคําของข้าพระเจ้าผู้กล่าวอยู่ ด้วยกรรมที่ข้าพเจ้าดูหมิ่นพระสยามภูคือพระประเจกพระพุทธเจ้าผู้มีพระอริอทัยสงบผู้มีพระอริอทัยมั่นคงแล้ววันนี้ข้าพเจ้าได้ถึงกําเนิดต่ําซามก็เป็นช่างตัดผมก็เหมือนที่ทาท์เขาอ่ะเนี่ยแหละที่ไปด่าวไว้นะท่านทั้งหลายอย่าพราดขณะเวลาเลยเคือว่าอย่าล่วงเลยขณะนะเพราะผู้ที่ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปย่อมเศร้าโกศกเสียใจ คนที่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปเขาเสียใจกันทั้งนั้นแหละท่านทั้งหลายควรพยายามในประโยชน์ของตนท่านทั้งหลายจะให้ขณะเวลาประสบผลไม่ล่วงไปเปล่ามันก็อย่าปล่อยนะอย่าปล่อยชีวิตอย่าปล่อยขณะให้ล่วงเลยกันไปนะว่ากันก็ยาเหล่านี้คือยาสำโรคเป็นพิษร้ายกาศสำหรับบางพวกแต่เป็นโอสถสาหรับ คนบางเหล่ายาไนงะยาอย่างเดียวกันใช่ไหมเป็นยารักษาบางคนใช่ไหมแต่จะไปเป็นยาพิษอีกบางคนก็เหมือนสมัยนี้ก็ยาบางคนกินแล้วถูกโรคหายใช่ไหมบางคนกินแล้วแพ้อะไรเงี้ยส่วนยาถ่ายเป็นยาพิษร้ายกาศสาหรับบางคนแต่ก็เป็นโอสถสําหรับบางคนยาถ่ายนะช่วยเหลือบางคนแต่ก็ในบางคนก็แย่เลยอะ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ฉนั้นเหมือนกันเป็นยาสำร o c สำหรับผู้ปฏิบัติคือผู้เจริญตามผู้ปฏิบัติตามเนี่ยนะสำ ROC พิษออกได้หมดอะเป็นเสมือนยาถ่ายสำหรับผู้ตั้งอยู่ในผลเป็นเหมือนโอสถสำหรับผู้ได้ผลแล้วเป็นบุญยาเขตสำหรับผู้สแสวงหามโมกธรรมแต่ในขณะเดียวกันนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเสมือนยาพิษที่ร้ายกาศ สำหรับผู้ประพฤติผิดจากคำสั่งสอนเผาคนคนนั้นเหมือนอาสารพิษต้องยาพิษชนิดร้ายแรงที่คนอื่นดื่มแล้วก็จะผลานชีวิตพูดถึงยาพิษร้ายแรงเลยนะจะพลานชีวิตเขาเพียงครั้งเดียวส่วนคนผิดพลาดในคำสอนของพระพุทธศาสนาจะมหมกไหมในนรกนับแสนโกรธกลับเขาย่อมข้ามโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกได้ด้วยขันติธรรมอาหิงสาธรรม และด้วยความเป็นผู้มีเมตตาจิตเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเหล่านั้นจึงทรงเป็นผู้ไม่มีความครึ่งเครียดพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นเสมือนปัตภีเหมือนแผ่นดินน่นะแผ่นดินก็ไม่ทรงอยู่ในราบความเสื่อมลาบทั้งในการนับถือและการดูหมิ่นเคยเห็นแผ่นดินนี่ดีใจไหมเคยเห็นเสียใจไหมไม่มีนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเหล่านั้นน่จึงทรงเป็นผู้ไม่มีความครึ่งเครียด ธรรมุนีนี้ทรงมีพระไทยเท่าเท่ากันสำหรับสัพพสัตวทั้งในพระเทวทัตนายขมังธนูโจรองค์คุลิมานพระราหุลและช้างธนาบานคือช้างนาราคีริงเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเหล่านี้ไม่ทรงมีความแค้นเคืองไม่ทรงมีความรักสําหรับสัตว์ทั้งหมดคือทั้งเพชฌฆาตและพระโอรสพระพุทธเจ้าทรงมีพระไทยเท่าเท่ากันรักศัตรูกับคนรักพอกันหมดเลยเนะี่ย คนเห็นอันตรายแล้วพึงประนมมือเหนือศีรษะไหว้ผ้ากาสาวพัดที่เปื้อนอุจจาระอันเจ้าของทิ้งแล้วซึ่งเป็นธงของฤาษีเพราะงั้นก็บอกว่าแม้กระทั่งผ้าเปื้อนอุจจาระนะผ้ากาสาวพัดก็ต้องควรกราบไหว้เหาือนกันพระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งในอดีตนานแสนนานในปัจจุบันและอนาคตทรงบริสุทธิ์เพราะธงนี้ผ้าย้อมน้ําฝาทําให้ท่านเหล่านั้นบริสุทธิ์กัน เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเหล่านี้นั้นจึงเป็นผู้ควรแกการนมัสการข้าพเจ้าย่อมทรงจำพระวินัยที่ดีที่เป็นกําหนดหมายของพระศาสดาไว้ด้วยใจข้าพเจ้าจากนอบน้อมนมัสการพระวินัยพักผ่อนอยู่ทุกเมื่อพระวินัยนี้เป็นอัธยาศัยของข้าพเจ้าพระวินัยเป็นที่ยืนเป็นที่จงกรมของข้าพเจ้า เป็นพวกเราเก็คือศีลนั่นแหละมีศีลเป็นที่ยืนเป็นที่เดินเป็นที่จงกรมนะข้าพเจ้าสําเร็จการอยู่ในพระวินัยคือศีลพระวินัยคือศีลเนี่ยเป็นอารมณ์ของข้าพเจ้าคําว่าวินัยก็คือศีลนะอย่าไปคิดอย่างอื่นข้าพเจ้าบรรลุถึงบารมีในพระวินัยเป็นทั้งผู้ฉลาดในสมถะข้าแต่พระมหาวีระด้วยเหตุนั้นพระอุบาลีจึงไหว้แทบพระยุคลบาทของพระศาสดา ข่าพระองค์นั้นน่ะออกจากบ้านนี้ไปบ้านนูน้นจากเมืองนี้ไปเมืองนูน้นเที่ยวนมัส ก, การพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและความที่พระธรรมเป็นธรรมดีพระอุบาลีก็เป็นอย่างนั้นนะกิเลสทั้งหลายข่าพระองค์เผาแล้วพบทั้งหมดข่าพระองค์เนี่ยถอนแล้วอาสวะทั้งหลายเนี่ยหมดสิ้นไปแล้วบัดนี้พบใหม่ไม่มีการมาของข้าพระองค์ในสำนักของพระองค์ ผู้ประเสริฐเป็นการมาดีแล้วจริงๆวิชาสามข้าพระองค์ได้บรรลุแล้วคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพระองค์ได้ปฏิบัติแล้วปฏิสัมพิธาสีวิโมกข์แอภิญญาหกเหล่านี้ยข้าพระองค์ได้ทําให้แจ้งแล้วคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพระองค์ได้ปฏิบัติแล้วก็ท่านก็ได้ทํากิจในพระศาสนา ม, มากตอนสังขายาพระวินัยเนี่ยท่านเป็นเป็นผู้สังขายาพระวินยัยเป็นทูตผู้ตอบปัญหาพระวินยัย ส่วนพระสูตรกับพระพิธรรมนี้เป็นภาระของพระอ น, นุนก็ในที่นั้นพระศาสดาให้ท่านเรียนพระวินัยปิดกทั้งหมดด้วยพระองค์เองต่อมาภายหลังท่านวินิจฉัย3าเรื่องคือเรื่องภาลุกกัตชกะเรื่องอจุกะและเรื่องพระกุมารกัตสปะ3เรื่องเมื่อท่านวินิจฉัยเสร็จแต่และเรื่องพระศาสดา ก, ก็ให้ประธานสาธุการทรงการทำวินิจฉัยทั้ง3เรื่องให้เป็นอุบัติเหตุ ทรงตั้งพระเถระไว้ในตำแหน่งผู้เลิศกว่าพระวินัยทอนทั้งหลายก็คือวินิจฉัยได้เหมือนพระพุทธเจ้าว่างั้นอยู่มาภายหลังวันอุโบสถวันหนึ่งเวลาแสดงปาฏิโมกข์ท่านก็ให้โอวาตภิกษุทั้งหลายคือให้อวาตลูกศิษย์ว่าผู้ที่ออกบวชใหม่ๆด้วยศรัทธายังใหม่ต่อการศึกษาควรคบหากัลายาณมิตรผู้มีอาชีพบริสุทธิ์แล้วก็ไม่ควรเกียรคร้าน ที่บอกว่าบวช ด, ด้วยศรัทธาก็คือไม่ได้บวชประสงค์จะเลี้ยงชีพไม่ได้บวชประสงค์จะหนีหนี้ห น, นีอะไรสักอย่างหรอกแต่ว่าบวช ด, ด้วยเชื่อกรรมและผลของกรรมด้วยเชื่ อ, รรอคุณของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นก็บอกว่าควรคบต่อกาลยานมิตรผู้มีอาชีพบริสุทธิ์ไม่เกียรตคร้านความว่าควรเข้าไปหากาลยานมิตรผู้ทรงไว้ซึ่งลักษณะที่ตรัสไว้ว่าเป็นที่รักเป็นที่เคารพนับถือเป็นผู้ที่มีคุณธรรมสามารถแสดงอัตธรรมได้ลึกซึ้ง ชื่อว่ามีอาชีพบริสุทธิ์เพราะเว้นจากมิจฉาอาชีพชื่อว่าไม่เกียดคร้านก็เพราะเป็นผู้ปรารบความเพียรเพราะฉะนั้นควรคบาหาสมาคมโดยการรับโอวาทอนุสาสนีคำพร่ำสอนของท่านผู้ออกบวชใหม่ๆด้วยศรัทธายังใหม่ต่อการศึกษาควรทำนักอยู่ในหมู่สงฆ์ผู้ฉลาดศึกษาพระวินัยให้เข้าใจคือให้อยู่ในชุมนุมสงฆ์โดยการบำเพ็ญวัด ป, ป, ปฏิบัติต่างๆก็ทาให้บริบูรณ์ แล้วก็ศึกษาวินัยบอกว่าต้องฉลาดทําความรู้ความเข้าใจศึกษาปริยัติคือวินัยด้วยว่าวินัยเนี่ยเป็นอายุคือเป็นชีวิตของาศาสนาเมื่อพระวินัยยังอยู่าศาสนาก็เป็นอันยังดํารงอยู่จริงๆนะถ้าว่าเป็นรายคนเนี่ยถ้าไม่เอาศีลเนี่ยนะาศาสนาคือปริยัติาศาสนาก็ดํารงอยู่ไม่ได้ปฏิบัติศาสนาก็เกิดไม่ได้แล้วก็ปฏิเวศศาสนาการบรรลุ ก, ก็เกิดไม่ได้อยู่แล้ว มันศาสนาเนี่ยก็ต้องขึ้นด้วยศีลมันถ้าไม่เอาศีลไม่ประพฤติปฏิบัติตามศีลก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าพระวินัยนี้เป็นอายุของศาสนาเมื่อพระวินัยยังคงอยู่พระศาสนาก็ยังเป็นอันดํารงอยู่ภิกษุผู้ออกบวชใหม่ๆด้วยศรัทธาผู้ยังใหม่ต่อการศึกษาต้องเป็นผู้ฉลาดในสิ่งที่ควรและไม่ควรไม่ควรประพฤติตนเป็นคนออกหน้าออกตาอธิบายว่า เป็นผู้ฉลาดในสิ่งที่ควรและไม่ควรฉลาดในความละเมียดละไมด้วยพระสูตรและก็สุดตานุโลมเป็นต้นคําว่าอปุระคตโตได้แก่ไม่ควรเป็นผู้ออกหน้าออกตาคือไม่มุ่งหวังการเป็นหัวหน้าจากที่ไหนด้วยตันหาเป็นต้นนั่นเองก็คืออย่าไปปรารถนาะความเป็นใหญ่เป็นโตเอาตันหานําหน้าอย่างเดียวมุ่งแต่เป็นเจ้าหมูเจ้าคณะโดยที่ไม่รู้ตัวตัวเองเนี่ยก็จะสร้างความเสียหายในภายหลังเป็นอย่างมากอัน อโอวาทของพระอุบาลีสอนพระพิสุใหม่ว่าควรคบหาการยานมิตรนะเรียกว่าหาครัวอาจารย์ที่ดีหน่อยแล้วก็พำนักอยู่ในหมู่สง์ศึกษาพระวินัยให้ดีแล้วก็ต้องฉลาดในสิ่งที่ควรสิ่งที่ไม่ควรแล้วก็ไม่ควรทําตนเป็นคนออกหน้าออกตาเหมืนอนันนี้ก็เป็นโอวาทที่ท่านให้ซึ่งท่านนี้ก็เป็นผู้ที่อยู่ในศีลทุกอิริยาบถ ท, ท่านก็บอกว่าไม่ว่าท่านจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนสําเร็จอยู่ด้วยวินัยทั้งหมด วินัยเนี่ยสำหรับเป็นเครื่องอยู่ของท่านเลยตอนท่านคิดแต่เรื่องศีลเหมือนกันเถอะวินัยก็คือศีลคิดแต่เรื่องศีลไปไหนก็มีแต่ศีลนําหน้าเป็นต้นน่ยคิดแต่เรื่องศีลยืนเดินนั่งนอนใครครวญแต่เรื่องศีลเรื่องสีขาบทที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนําสั่งสอนท่านเหล่านั้นก็เป็นผู้บริบูรณ์ด้วยโอโ อ, อริยาทรย์คือศีลเลยแหละแล้วก็ทรัพย์คือศีลของท่านทําให้ท่านเนี่ยได้แทงตลอดบรรลุมรรคผลจนสามารถเป็นเอตทัคฆในด้านพระวินยัย แต่ข้อความที่น่าเอามาคิดอย่างหนึ่งที่บอกว่าพระพุทธเจ้าก็เป็นยาถอนพิษสำหรับผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามก็เป็นโอสถสำหรับผู้ที่ประพฤติจนปฏิบัติบรรลุมรรคผลแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นเสมือนยาพิษที่ร้ายกาดสำหรับผู้ที่ปฏิบัติผิดจากคำสอนเผาคนคนนั้นเหมือนอสรพิษเหมือนกันจะบอกว่าเหมือนอสรพิษต้องยาพิษ ยาพิษชนิดร้ายแรงที่คนดื่มแล้วจะพลานชีวิตแค่ชาติเดียวส่วนคนที่ผิดพลาดในคำสอนก็จะหมกไหม่ตลอดโกรธกลับเป็นอันมากก็คิดดูนะว่าขนาดกินของสง์ในศาสนาพระพุทธเจ้าพนามว่าผุษะใช่ไหมก็มาชาติหลังเนี่ยมาเป็นเปรตเนี่ยนะมา9กากลับมาแล้วนะไอ้กรรมันนั้นยังมาทำให้ผลเป็นเปรตในในผู้ทันดร น, นี้เลยอะแล้วถ้าปฏิบัติผิดในแง่อื่นๆจะมีโทษขนาดไหน เพราะฉะนั้นกรรมเนี่ยกรรมและผลของกรรมเนี่ยควรใส่ใจให้มากผู้ที่นับถือพระรัตนตรยัยพระรัตนตรัยนําให้เขาพ้นจากอบายทุกขติวินิบาสนรกทําให้แทงตลอดอริยสัตว์แต่ถ้าผู้ที่ปฏิบัติผิดในพระรัตนตรัยล่ะก็เหมือนกับพ่อกับแม่เราเนี่ยนะถ้าเหตุผลทั่วทั่วไปเนี่ยพอแม่เราถ้าเราเลี้ยงดูบํารุงดีก็บุญของเราเลยแหละแต่ถ้าเราประพฤติผิดปฏิบัติผิดล่ะก็บาปก็อยู่ตรงนั้นพระรัตนตรัยเนี่ยหนักกว่านั้นยิ่งกว่านั้นเยอะ ท่านก็ควรที่จะสังวรให้มากๆากเท่าบาลีท่านบอกว่าผู้ที่ผิดพลาดในคําสอนก็จะหมกไหมในโนโรกเนี่ยเป็นโกรธกลับเลยแหละเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็จำนวนที่เข้ามาในาศาสนาก็จะทําทบาปทํากรรมให้กับตัวเองเลยนะีส่วนที่เรียกว่าเราเนี่ยเป็นสาวกก็ควรจะมาศึกษาปฏิบัติตามคําสอนของพระองค์แต่ในชั้นหลังผู้ที่ไม่ได้ศึกษานี่โอ้วิจารณ์พระธรรมคาสอนแหลกไปหมดเพราะฉะนั้นกรรมเหล่านั้นนี่ก็น่าเห็นใจนะ น, น่าสงสารเป็นอย่างมากเลยนะพระพุทธเจ้าไม่น่าสงสารหรอกพระพุทองค์ไปดีแล้วคําสอนก็บริสุทธิ์ปราศจากมนทินผ้าหันทั้งหลายท่านก็ท่านก็ไปดีแล้วอะนะแต่ว่าคนที่มาประพฤติปฏิบัติผิดในคําสอนเหล่านั้นนะ่ะคือคนที่น่าการุณาจริงๆถ้าทำคําสอนก็ไม่ได้ไปสาบไปแช่งอะไรเขาหรอกอย่างดวงอาทิตย์เนี่ยส่องสว่างให้แก่โลกใช่ไหมแต่ทีนี้ในขณะเดียวกันถ้าใครไปจ้องดวงอาทิตย์ล่ะตาบอด ดวงอาทิตย์โกรธหรือเปล่าไม่ได้โกรธอะนะแผ่นดินนี่เอาไว้เป็นที่ยืนเดินนั่งนอนใช่ไหมแต่ขนาดเดียวกันถ้าคนเอาหัวไปทิ่มแผ่นดินละ่ะคอหักตายแผ่นดินผิดหรือเปล่าก็ไม่ผิดอะไรไฟเนี่ยนะก็สําหรับสำเร็จประโยชน์หุงต้มเป็นต้นนะนะแต่ก็ช็อตคนตายไม่ใช่น้อยเพราะผิดพลาดกับไฟไฟก็ไม่ได้โกรธอะไรน้ําก็เหมือนกันเนี่ยนะสับได้ประโยชน์ดื่มกินอาบเป็นต้นก็เพราะอาศัยน้ําแต่คนที่จมน้ําตายเป็นต้นก็ ไม่ใช่น้อยเพราะอะไรเพราะผิดพลาดกับน้ำเองเนี่ยนะน้ำไม่ได้โกรธแค้นโกรธเครืองอะไรหรอกเนี่ยนะเพราะเขาไม่ฉลาดในน้ําเองลมก็ในยะเดียวกันเนี่ยนะอากาศก็เหมือนกันมันถ้าผู้ที่เข้ามาแล้วก็ประพฤติผิดในพระธรรมตรายก็เป็นบุคคลที่น่าการุณาเป็นอย่างมากโดยเฉพาะคนนั้นก็เพราะฉะนั้นก็พยายามที่จะสังวรสํารวมระวังว่าอย่าเป็นเราเลย่างกันเห็นไหนก็ในช่วงนี้ก็คงสมควรแก่เวลานะอาจารย์